วันนี้วันพระดับเดือนห้าปักขาดุโบสถวันนี้วันพระวันนี้ดับเดือนห้าต่อไปก็เดือน6วันเพนก็วีสาขาแล้วทีนี้ฝนฟ้ามับมาแล้ว ชาวนาก็ลงนาได้แหละต้นนี้นาปีมีเริ่มต้นนาปีได้แล้วเนี่ยนา น, นี้เนี่ยเมื่อวานกับ ว, วันนี้มีฝนตกโปร ย, ปร ย, ปรยนิดหน่อยพอได้ต้นไม้มันชุ่มทีนี้มันรู้ฝนจะยัยงไงมันรู้หาจจะแรงก็ได้อาจจะฝนก็ได้ทีนี้ ไปวนไปล่วงไปล่วงไปรับไปล่วงไปรับไปอะไรของมนุษย์ก็ล่วงไปรับไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกมนุษย์บางทีมีแต่ดี มีสินมีธรรมมีความสุขแต่ก็มีความสุขบนกองทุกข์ก็ดูที่อ่ะครอบครัวตัวไหม่ยายกุลเนี่ยเห็นไหม <laughs> ปรยียงเดียวยายกุลยังอยู่ห้องไอซีูอยู่เนี่ยใส่แตกซี่ครงร้าวหักไหน้าก็คอหัก ลกชายที่อย่างเดียวบางทีก็อยู่ดีมีสุขถ้ามกลางบนกองทุกนี่ร่างกายนี่คือกองทุกนี่แหละคือกองทุกโดยเหตุที่เราอยู่แล้วจำเจสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างเออไอตอนที่มันสุกก็พออยู่ ยิมแย้มเจ็มสายได้มันมีสุขมีทุกข์มีทุกข์มีสุขมีดีมีไม่ดีดูมาที่ใจใจก็รับรู้อยู่แล้วว่ากายดีกายไม่ดีกายสุขกายทุกข์จากนั้นแล้วความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจากอารมณ์ข้องใจอีกทั้งหากสุขทุกข์ทุกสุขสุขทุกข์ทุกสุขสุขสุขสุขสุขสุขสุขทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ ทุกทุกท mm ุๆ hmm. ทุกทุกทุทุทุุกนี่มีแต่ทุกก <ye fått> <disaster> ็แ <ha> ย <uties> ่และสิมีสุขบ้างบางคนก็ทุกใจจะเป็นจะตายยิ้มแห้งๆบนใบหน้าที่เป็นกองทุกนั่นแหละเราก็ดูเถอะนี่คือมนุษย์คือมนุษย์คือสัตว์ ที่อยู่ในบ่วงอยู่ในกรงขังกรงข่ายของกองทุกมีอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้มีทางออกไหมมีแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยเห็นทำไมจึงไม่เห็นเพราะไม่มองในเมื่อไม่มองจะเห็นได้ไงศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยแหละเป็นหนทางที่เราจะออกจากกองทุกได้ กูจะจับทางกระสอนไว้แล้วมีอยู่ ร, รู้รู้อยู่ได้ยินอยู่ว่ามีแต่ไม่เคยมองอยากเห็นแต่ทำอยากเห็นอาจเห็นทมแต่ไม่เคยมองกูจะ เ, เห็นอะไรไม่เคยมองหาไม่เคยสนใจกูจะ เ, เห็นอะไรเห็นทำก็คือเห็นทุกข์นี่แหละ เห็นทุกนี่แหละคือเห็นธรรมอย่ามาเถียงนะเอ๊ะเห็นทุกเห็นธรรมเป็นธรรมได้ยังไงเห็นทุกนี่แหละคือเห็นธรรมถ้าเราเห็นทุกเราเริ่มรู้ว่าเราเราเริ่มรู้ว่าเราเป็นทุกเนี่ยเราจะเริ่มหาทางออกออกจากกองทุก ดูแต่พระอญญาโกณทันยะท่านเห็นธรรมท่านได้ดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นอะไรท่านไม่ได้เห็นกองเงินกองทองอ่ะท่านเห็นอันนี้อันนี้จังเห็นทุกขังเนี่ยนี่แหละคือเห็นกองทุกนั่นแหะนี่แหละคือเห็นธรรมเห็นอันนี้จังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาพรอัญาโกณทัญยะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมไม่เป็นพระโสดาบันนั่นแหละนี่คือท่านเห็นธรรมเห็นทุกนี่แหละ สาเหตุที่เราไม่เห็นเพราะเราหลงเราเพลินเพลินกับความสุขนิดหน่อยนั่นแหละทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกสุขสุขสุขทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกสุขสุขทุกกี่ครั้งสุขสองครั้งเนี่ยทุกมันทุกกี่ครั้งโดยเหตุที่มันมีความสุขมาสลับมาขั้นอยู่บ้างเราก็เออพอลืมตาอาาปากพอหายใจได้ บางครั้งมันไม่มีสุขเราก็ไปหาความสุขเอาเองไปเต้นไปราไปร้องไปกินไปสนุกไปอะไรอะไรไปตามเรื่องเราคิดว่าสุขแต่ก็คือเพิ่มทุกข์ดูให้ดีแล้วคือเพิ่มทุกข์ความสุขที่แท้จริงไม่มีมันเป็นความสุขที่เราสแสดงเอาเป็นความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะราบบนกองทุกข์ ที่พุทธเจ้าท่านสอนนี้สอนให้พวกเราตื่นไม่ใช่มาทับถมเรานะสอนให้เราตื่นว่าเราอยู่ท่ามกลางกองทุกกองทุกกองทุกทันชี้บอกชัดขนาดนี้แล้วก็เราอยู่ท่ามกลางยืนเดินนั่งนอนอยู่บนกองทุกขนาดนี้เรายังมองไม่เห็นเราไม่เห็น เราดูสิความหลงมันปิดบังปิดหูปิดตาปิดสติปิดปัญญาเรามากน้อยเท่าไหร่เราดูสิ ว, นนวันนู้นวันนี้เดือนนู้นเดือนนี้ก็คือการเวลาล่วงไปล่วงไปล่วงไปเมื่อเกับแจ้งมันก็เกิดขึ้นตามความหมุนของโลกของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันก็หมุนไปพอมันเนี่ะโลกมันก็หมุนไปพอมัน มันเอาข้างหนึ่งเข้าข้างหนึ่งออกข้างหนึ่งออกข้างหนึ่งเข้าอยู่นั่นแหละข้าหาดวงอาทิตย์นี่ยช่วงไหนที่มันเอาข้างไหนที่มันเอาเข้าหาดวงอาทิตย์มันก็สว่างนี่เราถือว่าเป็นกลางวันช่วงไหนมันหมุนออกมันก็มืดเราก็เลยว่ากลางคืน <c oughs> ทุกคนเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกันเนี่ยโลกดวงดาวดวงดาวดวงเดือนาอาทิตย์เนี่ยนี่กิจทุนของมันกนี่แหละ ทำให้เกิดลินฟ้าอากาศทำให้เกิดฤดูเปลี่ยนแปลงมีกลางคืนมีกลางวั น, นเราก็นับอา ย, คา ย, ย, าายาอุความยืดยาวของไปนั่นแหละของนั้นน่ะของความยืดยาวของไปน่ะเป็นอายุความยาวไปจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีแล้วก็ไล่กันไป ความยืดยาดเนี่ยเราไล่ตามอายุอายุที่เราอยู่เราเป็นเราอยู่ในเมื่ออายุเรายังอยู่แม้แต่ต่อมน้ํามันก็ยังมีอายุของมันต่อมน้ําที่มันตกจากชัยทาไปกระทบข้บางล่างเพื่อเป็นต่อมขึ้นมาใช่ไหมมันตั้งอยู่มันก็นดับตั้งอยู่แล้วก็ดับแต่พวกเราเนี่ยก็ตั้งอยู่นานหน่อยระยะเวลานานหน่อยแต่อันนั้นมันฟองน้ำข้างในมันเป็นลม หยดน้ำตกลงป๊กมันก็ตั้งเป็นต่อแต่ปักไอ้แค่มันตั้งอยู่แล้วก็แตกแค่นั้นก็คืออายุของมันอายุไขอายุของวัตถุในโลกอายุของสิ่งมีชีวิตในโลกไม่ไม่เท่ากันอายุของสิ่งที่แข็งที่สุดก็มีอายุยาวยืนยาวพวกเหล็กพวกลาพวกอะไรเนี่ยหินหิน แต่ก็หมดไปได้เสื่อมไปได้สิ้นไปได้ศึกไปได้กล่อนไปได้เมื่ออายุแสนแสนปีล้านล้านล้านล้านปีล้านล้านล้านล้านปีสิ่งนเปลี่ยนตัวเองไปด้วยเปลี่ยนตัวเองไปด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าจิงกระเทือนกล้องอนันตะจักรวาลหาความประมาณในในจักรวาลไม่มีพุทธิยถาพูดตรงหมดสองสามคำนี่แหละนี่จังทุกขังอนนาตาน ผูหมดทุกจั ก, กรวาลไม่มีจั ก, กรวาลไหนที่จะไม่มีอนิจจังทุกขานัตตาถ้าเป็นเรื่องของจั ก, กรวาลนะัเป็นเรื่องของการหลายๆกลุ่มหลายๆก้อนมันก็เป็นกองสังขารภาวะของมาันก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันสืบทอด ด้วยระยะการเวลาทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปมีสิ่งหนึ่งเดียวที่ทนอยู่ได้ไม่เปลี่ยนไปไหนเที่ยงมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวพระจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ที่ฝึกฝนโอรอมได้จิตพระอรหันต์เป็นหนึ่งเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับดวงเดือนดวงดาวจักราวาลที่ไหนแหละเป็นผู้รู้ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวพะชะกิเลตออกหมดแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ปนเปื้อนมานั่นหะถึงความสุขแท้จริงประมังสุขขังอยู่ตรงนั้นตราบใดผวกเรายังติดใจพอใจอยู่อย่างนี้ที่จะพึงได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ก็คือ ศึกษาให้รู้เท่ามันอ๋อมันมีนี้อ๋อมั น, นเป็นนี้แนี่เป็นธรรมแต่อันนั้นก็ขัดข้องอันนี้ก็ขัดเครื่องเพื่จะไปกระเกือนให้อันนั้นถูกใจให้อันนี้ถูกใจขาดทุนล้วเพราะมันไม่ใช่ธรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสมันหักล้างมันเอาตามใจชอบเพรามันทั้งทั้งที่ไม่ไม่เป็นไม่มีเหตุผลห น, นุนเนื่องให้กับมัน ไม่มีเหตุผลส่งให้มันหากมันเป็นพลังความอยากเป็นมายาเป็นเจ้าเล่ห์คอยหลอกคอยลวงจิตของเราให้หลงเคลิมไปไปสร้างเหตุตามมันสร้างเหตุตามมันปับเมือนก็ถูกบวงและ้ะถูกตาขคายถูกบวงแล้วมันดักเอาไว้แล้ววัตถสงสารนั่นน่ะคือบ่วงคือตะคายถูกมันมัดเอาไว้แล้วกระดุกกระดิกไปตามมันปับนั่นคือบวงคือตะคายมันมัดเอาไว้แล้ว ติดมือกระดายติดด่างติดอะไรนั่นเนติดบ่วงมันแหะการที่เะไรการที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดูตามพิจารณาตามกลายเป็นว่าเริ่มรู้ธรรมเริ่มเห็นธรรมเห็นอันนี้แหละเห็นความเป็นไปของมันนี่แหละเห็นอันนี้อ่างเห็นทุกขรั้นี่แหละเห็นความไม่คงทนของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของมัน เห็นความเปลี่ยนแปลงไปบนที่เราอยู่อยู่เห็นด้วยตาได้ ย, ยินด้วยหูด้วยอะไรเนี่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงพระยอมรับแต่ด้วยเหตุที่เรามีกิเลสในใจเราทําไม่ได้ผู้มีพระคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุประสบความทุกข์ทรมานอย่างนั้นอย่างนี้โลคเก 9, ้าสามีภรรยาเป็นแน่ด้วยเหตุที่ความยึด เพราะความยึดแท้มันทำให้เกิดพฤติกรรมแบบนั้นเมตตาสงสารหึงหวงทะนุถนอมพูดอย่างนี้เหมือนกับจิตพระอรหานนั่นแหะเหี่ยวแห้งขาดเมตตากรุณาไม่ใช่ใครจะมีเมตตากรุายิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้ามหาการุณีโกนาโถม มหากรุณาโถของพระพุทธเจ้านี่ยมหากรุณาที่คุณสร้างบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือพระมหากรุณาการสร้างบารมีต้องเสียสละต้องอดต้องทนต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องตั้งเป้าเดียวไม่เปลี่ยนแปลง ปาดนับอยู่อย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนแปลงคอยได้คอยได้คอยได้คอยได้นานเท่าไหร่ก็คอยเอาคอยได้คอยได้จะสร้างเอาจะทำเอาคอยได้คอยได้เพื่อมารู้สึกตัวมารู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ อ, อาจะได้มาสอนพวกเราพอมาสอนพวกเราแล้วเราเห็นว่าเป็นของง่ายเป็นของกล้วยพวกเราก็ปล่อยทิ้งเสียของดีของดี ช่านเสียดายมากๆปล่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปก็ล่ะเพราะไม่ไม่สนใจขาดความสนใจกลายเป็นว่าพลังของกิเลสมันฝังมากกว่าหาสิหาสิยินรอนสิยินรอนสิหามาสิกรามาสิคอยมาสิหาไม่ได้อย่างใจกับแอปเอาสิซุกซ่อนเอาสิยักเย้าเอาสิ ขโอมอยเอาสิปล้นแย่งซึ่ ง, งๆน่าเอาสิเนี่ยมันปลูกมันปลูกฝังไว้อย่างนี้กิเลสตัณหาในหัวใจเนี่ยแสดงอะไรกระดูกกรดิกพลิกแพลงอะไรตามมัน น, น่านกลายเป็นพฤติ ก, กรรมแล้วเป็นความประพฤติที่ทําให้เกิดกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมพฤติกรรมทําดีก็มีผลดีตอบทําไม่ดีก็มีผลไม่ดีตอบตอบทั้งในขณะที่ทํา แล้วก็ตอบในระยะเวลาที่เป็นผลสืบสืบสืบไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติเป็นพบเป็นชาติเป็นหลายๆชาติร้อยชาติห้าร้อยชาติดูที่มันให้ผลเราดูแต่พูดที่เจ้าท่านสร้างบารมีผลคุณงามความดีมันก็ให้ผลให้ผลมาเป็นเป็นกับกับเป็นอสงไขเป็นอสงไขอสงไข ให้ผลด้วยสะสมไปด้วยโตไว้ด้วยโตไวด้ว ย, วยเพิ่มแรงเพิ่มพลังไปเรื่อยจนถึงจนถึงที่สุดจนสุดจนงอมจนสุดจนงอมนนะจนสุดจนงอมทําลายรวงรังทําลายกรงไข่ของไอ้เจ้ามายาที่มาปิดบางสติปัญญาพิช า, ารณาฐานาอุปาทานสามารถทําลายมาได้ ด้วยบุญญาประนิมนี่เป็นพระมหากรุณามหาการุณีโกนาโถพระพุทธเจ้าไม่ใชว่าท่านเป็นใจไ ม, ม้แทรกรรมไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปบทเถอะไปยังไงลูกเขาก็มีผัวเขาก็มีเมียเขาก็มีไม่มีเมตตากรุณากับเขาแน่ <houses> ต่างคนต่างมองมองเห็นคนละมุมมองเห็นคนละมุมมันแย้กันมันยังคนนั่มอะไรนะ มองเห็นกันคนละมุมแต่ผู้ที่สร้างบารมีมาด้วยกันเรามาดูแต่นู่นทําตนานขาลีกัญหามัตสีเนี่ยมัตสีเ่เป็นคู่บารมีคําว่าคู่บารมีหมายความว่ามีอะไรที่จะช่วยเสริมให้สําเร็จช่วยเสริมให้สําเร็จช่วยเสริมให้สําเร็จมีความทุกข์ช่วยปลอบประโลมมีความสุข ช่วยเสริมให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเป็นคู่สร้างเป็นคู่บารมีเกี่ยกันด้วยกันไม่มีการขัดข้องกันไม่มีการขัดค้านกันแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าเป็นพระสันดอนนะให้ชาลีกัญหาให้ตอนที่นางมัดซี ไปหาผลไม้ในป่าคิดอยู่ในใจว่าโอ้ถ้าให้ต่อหน้านางคิดว่าไม่สําเร็จเวลา น, นางเข้าป่ามาชูชกกบดานชูชกไปเอาตอนนั้นให้ชูชกเอาไปเลยไม่ต้องให้ขอให้หนางกลับมาถ้านางกลับมาต้องขวางไว้นางเมื่อทีมาไม่เห็นเรียกร้องเรียกหาไม่รู้ชิมระยะทางกี่กี่โหดกันไม่รู้ไปดูในตำนานท่านพูดเอาไว้นะ แต่พอเวลาพระเวสสันดรบอกว่าสร้างบารมีไปแล้วให้ทานกับชูชกไปแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่รักชาลีไม่รักกันหาแต่พระโพธิญาณเรารักยิ่งกว่านางมัตสีกับสาโต้เนี่ย น, นี่คือคู่บารมี กฟังดูแล้วเป็นไงน้ำตาไหลน้ำตาร่วงไหม <c oughs> ไอตอนที่ยังไม่รู้จักนะร้องงมร้องให้จนจะเป็นจะตาย่ะร้องผมร้องให้หาลกูกนี่คืออนี่คือคู่บา ร, รมีแท้แทโอ้โอ้โอบา ร, รมีทำให้ผลประสงค์ของพระองค์เสเร็จเต็มตื้นขึ้นมาพอบอกว่าโอ้ยให้ทานกับชูชกไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราจะรังเกียดเดียดฉันอ่า ชาลีกัญหาเรารักแต่เรารักพระโพธิญาณยิ่งกว่ามนดูสิเดืร้อนถึงพระอินทเลยท่เนี่ยถ้าเบื่อพระเวสสันดรมีใครไปข อ, อนางมาทัทสีซึ่งคอยอุปถัมภะถาน ถ, ถ้าให้ไปอิแล้วใครจะดูแลอุปถัมระถานพร ะ, ะอินก็เลยแปลงเป็นพ ร, รามเท่ามามาขอให้อีกไ พรามเท่าก็เออใ น, นเมื่อพระองค์ให้แล้วก็รับแต่จะขอฝากว่าให้ดูแลพระองค์อยู่นี่แหละจะไม่เอาไปด้วยนี่คืปรากฏให้รู้ว่าเป็นพระอินทร์ให้สินให้พรแล้วก็เหาะกลับไปลราดูซิความพยายามทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อพระโพธิญาณพระโพธิญาณเพื่ออะไร เพื่อมารู้เหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นที่บอกว่าเห็นธรรมนั่นแหละเห็นทุกข์เห็นทุกข์นั่นแหละคือเห็นธรรมพูดอะไรกับทุกข์พูดอะไรกับทุกข์พูดอะไรกับทุกข์มีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์อย่าลืมว่าถ้าเรามาเห็นจริงๆเข้าความเห็นทุกข์นี่แหละมันเป็นธรรมมันทําให้เราตื่นเนื้อตื่นตัวไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัว ไ, ไม่ทับถมตัวเองมีจะถอยออกถอยออกถอยออก อันไหนที่ว่าเป็นเหตุเหตุกองทุกถอยออกถอยออกถอยออกอยาบ้านะยาบ้านะถอยออกถอยออกถอยออกไม่ไปยุ่งกับมันเหล่านะเล่านะยาเมานะยาเมานะถอยออกถอยออกถอยออกนะยาพิษนะยาพิษนะถอยออกถอยออกไม่ไปยุ่งกับมันอันนั้นเป็นโทษนะอันนี้เป็นโทษนะถอยออกถอยออกถอยออกรู้ตึกรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวก็คือเอาหมด อะไรเป็นพิษเป็นภัยเป็นอะไรเอาหมดมันกระสิบกระซาบไปเอาหมดความอยากกระซิบกระซาบไปเอาเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาอ่าวันนี้เป็นวันพระพวกเราทำบุญให้ทานแลรวลึกถึงเรื่องเสีลเรื่องธรรมบ้างเล่าให้ฟังพอเป็นกติเสียนจิตสะจิตใจต่อไปแล้รับพรให้พร ยถ า, าวาริวะหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิตโตทินนางเปตานางอุปกะ ป, ะปะตีอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสัมมิตชตุสะเพะปูเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยาทถา โยวิวัจจันตุสัมพะโรภควินาสตุมะเตมภววันตรายโยสุขีหายุกโมภวาอภิวาทานาสิลิสานิจจ ใจน้อยตุธาตุธาตมาวัตธาติอายุวานโอโซข้างอาลังอายุโดบลโดธีโรวานโอโดปฏิภาณโดโซคาสัตตาเมธาวิโสข้างโสติคาจเต อายุณตวบาลางวันงโสขันจปติพาณโดเอคาโยยะสาวโหติยะทายาทุปปัจเจติปิมภวตุสบังกลังพเดวตานฌานบุตทานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต อาวัตตุสาบมะกาลังอาร a คันตุสาปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสดาสดทิภวันตุเตอาวัตุสาบมะ a าลังอาราคันตุสาปเดวตาสามบาสังขานุภาเวนัสดาสดทิเ อาวันโตเต